ภาค 2. มัชิมาปฏิปทาร่วมจัดทาโดยครอบครัวสีมีชัยพานิชครอบครัวอยองเอ็นพนอมรักเพชรสถียรวงช่างพินิษสหรัฐชุ่มเมฆมัชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฎธรรมชาติหรือทางสายกลางภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไม่เอียงเข้าหาที่สุดสองอย่างนั้นได้ตรัสรู้ข้อปฏิบัติอันมีในถ้ำกลางล่าวคือมัคคามีองค์แปดประการอันประเสรฐนี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทาว่าตามสมมุติของมนุษย์ มัชฌิมาปฏิปทาคือการดำเนินชีวิตสายกลางอย่างถูกต้องพอดีสอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติที่จะให้การปฏิบัติจัดดำเนินการต่างๆของมนุษย์เกิดผลดีที่พึงมุ่งหมายได้สูงสุดเต็มสภาวะของธรรมชาติโดยไม่กลายเป็นสุดโต่งที่พลาดไปทั้งทางตึงเครียดบีบคั้นตัวและทางย่อหย่อนมุ่งแต่เอามาบำเรอตัว พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรว่าตามคนบททานแห่งมัชเชนาเทศนาวางปฏิบัติการที่เป็นมันชิมาดังได้เล่าแล้วเมื่อเริ่มภาคแรกว่าภายใต้โรมหาโพนริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วหลังจากเสวยวิมุตติสุขหนึ่งสัปดา ได้เสด็จออกจากสมาธิแล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ได้ตรัสรู้นั้นตลอดเวลาสามยามแห่งราตรีต่อมาเมื่อสิ้นระยะเสวยวิมุตติสุขเจ็ดสัปดาห์แล้วเมื่อป ร, รารภการที่จะทรงประกาศ ธ, ธรรมสั่งสอนประชาชนต่อไปทรงพระดำรีว่าธรรมะที่เราได้บรรลุเหล่านี้เป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยาก ฐานะนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคืออิทัพปัจจยตาปฏิจจะสมุบาทแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยากกล่าวคือนิพพานเมื่อทรงพระดำริดังนี้แล้วก็น้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่เสด็จไปสั่งสอนธรรมแต่หลังจากนั้นทรงมองเห็นว่าในหมู่สัตว์คือประชาชนเหล่านั้น พวกที่มีดวงตามีทุลีน้อยก็มีอยู่คนพวกนี้จะเข้าใจได้ถ้าไม่ได้สดับธรรมก็จะเสื่อมเสียประโยชน์ไปและทรงมองดูหมู่สัตว์คือมวลมนุษย์ซึ่งมีอินทรีย์อ่อนแก่ต่างๆกันเหมือนในกอบัวซึ่งมีดอกบัวในระยะต่างๆบางส่วนขึ้นพ้นน้ำรอสัมผัสแสงอาทิตย์ก็จะบานในวันนี้บางส่วนอยู่เสมอน้จาจะบานในวันพรุ่งนี้ ส่วนดอกบัวที่ยังอยู่ในน้ำก็จักบานในวันต่อๆไปพระพุทธเจ้าตรัสบัวไว้สามเหล่านี้แต่ในอัถกถามีเหล่าที่สี่เพิ่มเข้ามาคือดอกบัวจมอยู่ใต้น้ำที่กลายเป็นพักษาคืออาหารของปลาและเต่าจากนั้นพุทธกิจในการประกาศธรรมก็เริ่มต้นโดยทรงพิจารณาว่าจะทรงแสดงธรรมแก่ใครเป็นปฐม แล้วก็เสด็จไปยังอิสิปตนะมรุกัทยาวันส่งแสดงประทมมเทศนาคือเทศครั้งแรกที่มีชื่อว่าธรรมจักกะปวัตตนสูตรเรียกกันง่ายๆว่าพระธรรมจักแก่พระเบญจวคีในการเทศครั้งแรกนั้นส่งเริ่มด้วยการให้พระเบญจวคีรู้จักแยกวิถีใหม่ของพระพุทธศาสนาเรียกว่าทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทา ออกจากวิธีสุดโต่งสองฝ่ายที่แพร่หลายอยู่และพระเบญจวครีก็ได้คุ้นมากับตัวแล้วในเวลานั้นคือการหมกมุ่นสยบอยู่ในกาเมสุขคือกามสุขขันลิกานุโยกกับการทรมานบีบคั้นตัวเองให้ยากลำบากเรียกว่าอัตตกิลามัฐานุโยกเมื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นพอให้มองเห็นวิธีมัชิมาอย่างใหม่แล้วก็ส่งแสดงเนื้อตัวของพุทธธรรมคืออริยสัจสี่ ปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจากนี้ทำให้พระเบญจวครีซึ่งล้วนเป็นพรมาม์เก่าก่อนและออกบวชเป็นฤาษีดาบทมาจนแก่ล้วนช่ำชองในวิธีของสังคมและลัทธิต่างๆของยุคสมัยเมื่อฟังธรรมแล้วก็ได้ความรู้และเปลี่ยนความคิดใหม่โดยเฉพาะัวหน้าคือท่านโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นปฐมสาวกคือเป็นสาวกรูปแรก เป็นเหตุการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงและแปลกใหม่ทางปัญญาความรู้ ค, ความคิดครั้งยิ่งใหญ่ที่ถึงขั้นเป็นแผ่นดินไว้ในปฐมเทศนานี้ไม่ปรากฏคำว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุบาทหรือปัจจญาการไม่มีคำว่าปัจญคไขหรือนิพานที่ตรัสเมื่ออยู่กับพระองค์เองว่าเป็นธรรมะที่ตรัสรู้แต่มีคใหม่ว่า อริยสัจสี 4, ซึ่งไม่ได้ตรัสถึงมาก่อนนั้นแต่ตรัสให้พระเบญจวครู้ในคราวนั้นว่าเป็นธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็จะสังเกตได้ด้วยว่าอริยสัจสี่ที่ตรัสในปฐมเทศนานี้ไม่มีรายละเอียดมากอย่างที่ตรัสในหลายโอกาสหลังจากนี้เช่นว่าอริยสัจข้อที่สองก็ตรัสแค่ว่าตัณหาเป็นทุกขสมุ ท, ทยัย คือเหตุเกิดแห่งทุกข์อริยสัจข้อที่สก็ตรัสแค่ว่าความดับไปของตัณหาเป็นทุกขานิโรธคือความดับไปแห่งทุกข์แต่ต่อมาในบางโอกาสได้ตรัสหลักอริยสัจโดยแสดงรายละเอียดด้วยการนำปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายอริยสัจให้เห็นกระบวนปัจจยาการของทุก์ตลอดสายคือในอริยสัจข้อที่สอง ก็เริ่มตั้งแต่อวิชชาปัจจะยาว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยเรื่อยมาตลอดสายจนเกิดเป็นความทุกข์มิใช่ตรัสแค่ท่อนกลางว่าตัณหาเป็นทุกขกสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์และในอริยสัจข้อที่สก็ตรัสมาตั้งแต่อวิชชายะนิโรธาว่าดับอวิชชาได้เรื่อยมาตลอดกระบวนจนทุกข์ดับหายไป มิใช่ตรัสแค่ท่อนกลางว่าความดับไปของตัณหาเป็นทุกขนิโรธคือความดับไปแห่งทุกข์ในที่ทั่วไปก็ตรัสแสดงธรรมะที่พึงปะหานะหรือปะหานคือเป็นทุกขัดสมุทยัทยที่จะต้องลดละทําให้หายหดหมดไปไว้สองอย่างคู่กันคืออวิชชาและภวะตัณหา บางครั้งก็ตรัสให้เห็นว่าการปฏิบัติมัชคือข้อสี่ในอริยสัจเป็นทางนําไปสู่การรู้เข้าใจปัจจัยาการแต่ที่ตรัสอธิบายโยงอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ตามปกติพบแต่ที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนี่คือตรัสแก่ผู้มีพื้นความรู้เข้าใจธรรมะมาพอสมควรแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมในถิพนแดนต่างๆบางทีก็ได้ทรงพบกับบุคคลใหม่ๆเช่นพราหมณ์ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ว่าเป็นใครมีคำสั่งสอนเป็นอย่างไรเป็นเหตุให้ตรัสเล่าเรื่องราวและคำสอนพอให้เขารู้จักพระองค์ให้ถูกต้องจึงมีหลายครั้งหลายโอกาสที่ได้ตรัสเล่าเรื่องการตรัสรู้และคำสอนของพระองค์ที่จะให้บุคคลเหล่านี้เข้าใจได้เช่น อย่างทิตรัตแกเวรัญชพรามและแกโพธิราชกุมารในโอกาสอย่างนี้มักได้พบแต่ทิตรัตว่าในสามยามของราตรีที่ตรัสรู้นั้นทรงบรรลุวิชาสามในแต่ละยามตามลำดับโดยที่อาสวะขยะยานความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะในยามสุดท้ายนั่นแหละเป็นการตรัสรู้และยานความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะก็คือรู้อริยสัจสี่ วิชาสาที่เรียกว่าเตวิชาหรือไตรวิชาคือปุเพนิวาสานุสติยานจุตูป ป, ปาตยานและอาสวัคยายานนี้มองได้ว่าเป็นการเทียบในเชิงให้หันออกไปจากไตรเพศเดิมซึ่งเป็นคำภีคำสอนที่สำคัญสูงสุดของครามหลักการนี้บอกว่ายานสองอย่างแรกคือระลึกชาติได้แล้วรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย ที่ในยุคนั้นถือกันว่ายิ่งใหญ่นักนั้นยังไม่เป็นการตรัสรู้ที่ว่านี้ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่าพระองค์ตรัสรู้อริยาาสัจสีโดยไม่ตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการเลยแต่ก็ตรัสกำกับคุมท้ายว่าขจัดอวิชชาแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว ตามที่ได้พูดมายืดยาวนี้ก็เพื่อสรุปง่ายง่ว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยยการและไตรลักษณ์เป็นกฎธรรมชาติคือความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมันซึ่งสำคัญอย่างยิ่งรอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต้องขึ้นต่อมันต้องเป็นไปตามความจริงของมันและพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ทรงค้นพบกฎธรรมชาติทั้งสองนี้ เมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาปรารถนาดีจะทรงนำมาตรัสเล่าบอกกล่าวให้มนุษย์รู้เข้าใจจะได้เอาความรู้นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและแก่สังคมและแก่โลกทั้งหมดแต่กฎธรรมชาติที่ว่านั้นเป็นเรื่องแสนยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้จึงตกลงพระไทยจะไม่สอนแต่แล้วทรงมองอีกครั้งหนึ่งในแง่ว่า ในหมู่คนที่แตกต่างกันนี้มีบางส่วนที่มีอินทรีย์แกกล่าเมื่อได้ฟังจะรู้เข้าใจส่วนคนอื่นๆผู้สอนต้องใช้วิธีสอนยักเย้องไปในการที่จะช่วยให้เขาค่อยๆรู้เข้าใจตามๆต่อๆกันไปในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปประกาศ ธ, ธรรมคือตรัสบอกเล่าสอนความจริงที่ได้ตรัสรู้นั้น แต่ปรากฏว่าโดยทั่วไปวิไดสอนกฎธรรมชาตินั้นเต็มหลักตามสภาวะของมันโดยตรงแต่ได้ทรงนำความจริงของปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการมาประยุกต์สั่งสอนในรูปลักษ์หรือระบบการนำเสนอ ท, ที่ทรงเรียกชื่อว่าอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็คือหลักความจริงตามกฎธรรมชาติแห่งปัจจยาการ ที่พระพุทธเจ้าทรงประยุกต์นำมาสั่งสอนในรูปลักษ์ที่จะสื่อสารสู่ปฏิบัติการเพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนในโลกแห่งสมมุติที่มีการบัญญัติจัดตั้งเป็นบุคคลเป็นสถาบันเป็นต้นกฎแห่งปัจจัยาการในที่นี้มีความหมายโยงไปถึงและครอบคลุมกฎแห่งไตรลักษ์ด้วยและไตรลักษ์นั้นมนุษย์ทั่วไป พอจะเข้าถึงในการสื่อสารสามัญได้ในระดับหนึ่งดังที่ปรากฏในคำสอนทั่วไปไม่น้อย